เรื่องเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอมิกรทาทพร้อมเวลาพัตกาลคือถ้อยคำอันประกอบไปได้วยธรรมในขณะที่ออกกำลังฉันอาหารฉันพัฒหารในวันนี้ ใครอยากจะพูดในเรื่องที่เราทั้งหลายอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยคิดไลยซ้ําไปว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะฟังผมอยากจะพูดเรื่องเสียงสวดมนต์ในผงหยา ท, ทําไมจึงใช้คำว่าเสียงสวดมนต์ในผงยาอั น, นไนฤดูกาล ข้าวันซาของเราในยามค่ำคํำคืนเสียงรีดดึงเรไรระงมร่ําร้องในพงจ้าในอารามของเราเนี่ยเสื่อมเสียงต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกายยามกลางวันอย่างเมื่อตอนกลางวันมาพอแดดร่มรมตกก็เสียงแววของดุหวหาว บางครั้งเสียงนกยูงมันร้องเสียงดังๆมันตกใจมันกับปิ่นร้องมันเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในวัดเสียงนกเขานกเกากเหลาเสียงนกเอีง่งที่มันร้องคอในขณะที่เราสวดมนต์หรือว่าเราให้พรนี่กระดิหรือว่า เสียงนกเงือกในตัวปาแกใ่ใหญ่ที่มันบินไปบินมาที่มันชอบจิกชอบดอดถ้าฟังให้ดีถ้าจิตใจเราสงบเสียงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าจิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราไม่สงบเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่น่ารําคาญมากเลยทีเดียวอย่างตอนเย็นๆแดดร่มลมตก เงาไม้ได้ทอดมาบังริมขอบสระวันไหนฟ้าไม่ตกฝนไม่ลงพวกผู้เท่าเหล่าอุบาสิกาก็เอ า, าศาสตร์เอาเสือไปปูนั่งเพ่งดูผิวน้ำบางทีมีลมพัดมามันก็กระเพื่อมถ้าไม่มีลมมันก็สงบพิจารณาเข้าไป อบัญียิกังน้อมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใส่ภายในจิตเนื้นจิตใจของเราอย่ามไม่มีอารมณ์ในอดีตในอนาคตในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขณะนั้นกระทบจิตใจเราอาจจะสงบเหมือนผิวน้ําที่ยังไม่มีลมมาพัดแต่เวลาใดอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างรากักบ้างชังบ้างรูปเสียงกลิ่นรสอะไรที่มากระทบเข้าจิตใจก็จะวันไหวเหมือนผิวน้ําในสระ ที่มีลมมาพัดศีงลงนี้เป็นอิทธปัจิยะตาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อมีลมมากระทบผิวน้ําก็เกิดเป็นคลื่นถ้าจะตักเอาตัวคลื่นมามันก็ไม่มีมีแต่เพียงน้ําจิตใจนี้ก็เหมือนกันบางครั้งก็สงบมากบางครั้งก็วุนว่นวายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมซึ่งบางเรนนี้ล้วนจะเป็นครูบาเป็นอาจารย์ เอามาดูเอามาฟังเตากเย็นๆย็นเสียงเขียดร่ำร้องในหน้าพันษาเขียดตัวเล็กๆที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าเขียดจนาเนี่ยมันร้ อ, องอยู่ทั่วไประงมไปหมดเลยในปากข้าวเกียวเขียวทัศนียภาพซึ่งน่าดูน่าชมมากนอกจากนั้นเราก็จะได้ยินเสียงกาหวว่ว จากยอดไม้สูงโซงในอารามโผบินไปวินมากินลูกหมักเมาลูกหมักเม่ า, มมาตรงโน้นบางก็ไปกินลูกตะคบลูกแตกตรงโน้นเสียงนกเงือกเสียงนกยูงเสียงเหล่านี้ถ้าเรานั่งสงบแบบสมธาธิบางครั้งนกยุงมันเสียงดังมากก็อาจจะสะดุ้งตกใจรําคาญอาจจะ อยายกจะไปบิดคอทุอกอย่างเลยไปร้องเสียงดังแต่ถ้าใจสงบลองไปอีกแบบหนึ่งเมตตาปาณีแห่เมตตาเจ็บไม่มีประมาณนี้เมตตาจะสัพพโลกเสมิงมานะสัมปวเวยปริมณังแห่เมตตาเจ็บเป็นในโลกไม่มีประมาณก็เห็นสัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงร้องร่ำงมโยของโลกตามธรรมดา ยิ่งเป็นเสียงที่ไพเราะไม่มีมายาตาไทยนกกจากนี้เขาร้องมาเราก็รู้ว่าเป็นเสียงนกโยงเป็นเสียงนกกราบาวเสียงนกเขาเสียงนกเงือกเสียงนกเอียงมันไม่เปลี่ยนแปลงสราพสำแหน่งเสียงของมันมันไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ที่ไม่มายาตาไทยพอตกเย็นเย็นมาเสียงรีตริงเรไรก็ระงมในพงหญ้าในอารามข้างกุฏิบางท่าน อาจจะรำคาญเสียงรีดริงเหล่านี้แต่ถ้าจิตใจเราสงบมากๆน้อมเสียงเหล่านี้มาเป็นอารมณ์เล ย, ยก็ยังได้มาเป็น subject meditation มาเป็นอารมณ์ของสมาธิเสียงเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเสียงสดมนฟังให้ดีนะว่า ถ้าสามารถฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ได้ที่นั้นก็เป็นนิพพานที่นั้นก็เป็นสวรรค์เสียงบน่นเสียงด่าเสียงป้อย <c oughs> ของคนตั้งหลายกลายเป็นเสียงสวดมนต์ที่นั้นก็มีนิพพานในนิพพานพระพุทธเจ้าไปวินทบะที่เมืองโกสัมพีนางมาคันติยาจ้างคนมาเดินขบวนดา ท่านเฉยเหมือนเสียงสวนมนลาหลับท่านแต่พระอ น, นุอนก็ร้อนเหมือนไฟไหม่ยิ่งเราเป็นนักเผยแพร่ธรรมะจะไปเจอคนทุกชนิดเทศน้อยเขาก็เสียดายเขาบอกว่าพูดน้อยเสียดายอยากจะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนคนที่ไม่ชอบก็บอกพูดมากไปเมื่อไหร่จะลงลาคาบางทีก็ร้องตะโกนเลิกได้แล้ว เยู่เมืองเลยเนี่ยผมถูกชี้หน้าด่าน <c oughs> คนฟังเยอะะมีคนชี้หน้าด่าไอโ้หโล้นมืองเทศเก่งคนเดียวอะไรคนเดียวนี้ <c oughs> คนฟังเน่เป็นฟืนเป็นไฟลุกไหมไฟไหมหัวใจไฟแห่งความโกรธแต่เรากลับมีความเมตตาสงสารเขาไม่รู้อะไรเนา เขาไม่รู้แล้วก็ยังไม่พยายามที่จะรู้ที่จะฟังกายเป็นความลำคาญเสียง <c oughs> แสดงธรรมน่าสงสารคนอย่างนี้ถ้าไปอยู่กับคนชนิดเดียวกันก็คงจะเข็นจะฆ่ากันสงสารแท้ๆเกิดมามีกรรมมีเวรตาไม่บอดเหมือนตาบอดหูไม่หนวกเหมือนหูหนวกคนเช่นนี้ควรจะได้รับการให้อภัยไม่ควรไปโกอดเขาอผมเกาะ บอกคนทั้งหลายที่ฟังเทปนะ่ะอย่าไปโกรธขอแผ่บินทบาตอย่าไปโกรธแกเลยแกด่า ม, มาแกอาจจะไม่รู้อะไรเลยจริงๆอ้าวเขหยุดไปเทปไปเขาก็ชี้หน้าด่าอีกคนฟังก็ลุกเป็นฝันเป็นฝ่ก็บอกว่าขอร้องนะมีตาปานีกันทําให้ความรู้สึกว่าเหมือนพี่เหมือนน้องในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่อดีต แต่ชาติเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับประมาณไม่ท่วนไม่มีบุคคลใดจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันเราเรืมกันนี้คือพี่น้องของเราแค่แกไม่เข้าใจเหมือนน้องเล็กๆของเราคนหนึ่งหน้าให้อภัยเพราะแกะไม่รู้ดิษ า, าอ่าก็สงบไปเพราะแกะด่าอีกคนฟังก็โกรธจะไปตีไปฆ่าก็อบอกว่าถ้าเราโกรธขึ้นมาก็เหมือนจุดไฟเผาใจตนเอง ให้แกก่อคนเดียวยังไม่พอยังเอาไฟเอาฟืนไปจุดไฟจากแกเอามาเผาใจตนเองมันเป็นเรื่องถต้อ่งหรือไม่ <c oughs> เขาคือแต่เจ้าถูกด่าตั้งเมืองโกสัมพีท่านไม่เกถ้าไปเสียส่วนมนยามใดที่ใจเราสงบลงนับความเมตตาปาณิมันก็หลังไหลแผ่ออกไปเหมือนกันหัดไว้ฝึกไว้เป็นประจำความสงสารความเมตตาปา น, นี แม้แต่ศัตรูเขาเขาตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูเราเราก็ตั้งหน้าทั้งตาที่จะรักจะแพงเขาเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นพรเมตตาบาลีเนี้ยอืกลายเป็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่งอัปปามัญญากรรมฐานประเภทครั้งแรกเราดูว่าอัปปามัญญาคือความแผ่เมตตาไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันเป็นกรรมฐานชนิดที่ มองไม่เห็นไม่มีวัตถุให้ดูแต่ความจริงมันมีมากคิดไปเห็นหน้าสัตว์ตัวใดคนผู้ใดก็ลู้แต่จะเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดให้ความสงบความรมงับเนี้แต่เสียงร้องของจิ้งหรีดเรไรในพงหญ้าในขาคล่ํเคืนฟังให้ดีก็เหมือนเสียงสวดมนต์มีเรื่องเล่าไว้นะฮะเรื่องพระพุทธศาสนาเข้าไปส่งจีน นำโดยท่านโพธิธรรมท่านเป็นพระอินเดียพระแขกท่านได้นำพุทธศาสนาในพอสอบประมาณหกร้อยเนี่ยข้ามภูเขาฮิมาลัยไปสู่เมืองจีนในช่วงก่อนนานั้นก็มีพุทธศาสนาเข้าไปแล้วละ่ะคนก็นับถือแต่นับถือแบบสายมหายานของมหาสังคิกะพวกสังกายนานนอกถ้ำการถือ วี่ไหนก็ย่อหย่อนแต่เขาถือว่าเขาถือศีลนเมตตาศีนโพธิสัตว์ถือว่ามหายานเป็นญานใหญ่นำคนไปนห้ผ่านไปสวรรค์ได้มากคนโง่คนฉลาดทำได้โดยเขากินเจกินเจในลงเจอาซิมในหรงเจแล้วก็สวดมนต์สวดม น, นมต์นะโมไตเสือไตแปะไปเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ ออกเชื่อมีตาพระพุธให้มันครบวันละมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีาสูตรต่างๆของจีนของสายมหายานั้นนิยอมสวดกันใครสวดได้มากก็ยิ่งดีใจิตใจก็อ่อนโยนมีความเมตตาปานีไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็เรียกว่ากินเจกินเจไม่ไม่ไม่ได้เรียกภาษาบาลีว่ามังสวิรัตว่าเจ น, นะเจของจีนไม่ไม่เหมือนเจของพวกเรา เจของจีนแม้แต่พวกผักที่มีกลิ่นแรงเขาก็ยังไม่กินเลยอยังเลือกกินเอกเดินนะกินผักที่มีกลิ่นอ่อนๆครับพวกเราก็ควรจะกินเจเหมือนกันนะเจของพระพุทธเจ้าก็มีนะเจของพวกเราเราพุทธสาวกนี่เจเจทางมหายาน นั่นเจคือไม่กินเนื้อเป็นภาษาจีนไม่กินเนื้อกินปลากินผักแต่เจของเทรวาดอย่างพวกเราก็กินเจนะแต่จะคนละเจฟังให้ตีเจภาษาจีนยกเว้นเนื้อสัตว์แต่เจภาษาบาลีของฝ่ายเทรวาดอย่างเราเนี่ยเจาาตัวนี้แปลว่าถ้าถ้า เขาถุงสละอาไม่โท่าท่าตรงภาษาฝรั่งวา่าอีฟเอนัททิถ่าไม่มีเจอัททิถ่ามีกินเจก็หมายความว่ากินตามมีตามเกิดถ้ามันมีอะไรก็กินในนะั้นนั่นแหละกินเจเจทางทางาเทรวาตมีผัก กินผักถ้ามันมีผักอย่าไปเรียกร้องหาเนื้อหาปลามีเนื้อมีปลาก็กินเนื้อกินปลาอย่าไปเรียกร้องหาผักพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้กินด้วยความรู้เท่าทันสลัดออกอย่าไปเป็นทาสของรสชาติเหล่านั้น อย่ามกมุ่นสยบอย่าเพ่งโทษติเดียนสิ่งที่ไม่ชอบอย่าติดอาหารในส่วนสองนี่นี่ก็เป็นเจ น, นะถ้าเขามีผักอย่าไปเรียกร้องหาเนื้อหาอะไรมากกว่า น, นั้นกิ้งเดือไปเถรนาให้มีชีวิตโยเพื่อประพฤติธรรมแต่ถ้ามันมีผักมีถ้ามันมีเนื้อมีปลาอย่าไปเรียกร้องหาผักตอมันผิดมันถูก ท่านบอกว่าให้กินเหมือนน้ำมันหยอดเผารถไม่ได้กิน้ํามากเลยกินเหมือนน้ามันเหล่อเลี้ยงเผารถให้มันหมุนไปได้ให้เหมือนพ่อแม่มีบุตรคนเดียวอุ้มลูกข้ามทะเลทรายลูกตายในอ้อมกอดไม่มีอะไรจะกินเพื่อไม่ให้ตนเองตายก็เลยกินเนื้อบุตรในทะเลทรายในพุทธิจาปย์บอกว่า เธอกินอาหารทุกวันให้เหมือนพ่อแม่มีลูกคนเดียวแล้วตายไปในอ้อมเกาะเดินทางในกันดาลในทะเลทรายกินเนื้อบุตรในทะเลทรายจะอร่อยไหมจะหมกมุ่นสยบไหมกินไปน้ำตาไหลน้ำตาร่วงสงสารลูก น, น้อยที่ตายไปแต่ไม่กินพ่อแม่ก็จะตายก็เลยกินไปคิดทุกหรือไม่อย่างนี้ฟังทุกหรือไม่นั่นแหละเพกิกเพก มหายาณไม่อย่างนั้นที่นนี้เมื่อท่านโพธิธรรมท่านเป็นเถระวาสเข้าไปสู่อินเดียอาจจะอินเดียสู่จีนท่านจะไปบอกว่าให้กินเนื้อกินปลาอย่างไงเขากินผักกินหญ้ามันก็ยิ่งเป็นการดีก็กินอย่างนั้นแหละเวลานั้นท่านไปก็มีพระจีนองหนึ่งที่กําลังนั่งแสดงธคำจู ถ้านก็ไปนั่งจะถ่ายแถวประเพณีจีนอินเดียนี่เขาก็กินน้ําชาถ้านก็ไปนั่งฟังการแสดงธรรมแล้วประเพณีแขวนน้าชากินน้ําชาก็มาต้อนรับพระเจ้าอาวาตก็ให้เน้นนําแก้วน้ําชาไปอาวัยท่านและท่านก็ขึ้นธรรมารแสดงธรรมพระโพธิธรรมก็นั่งฟัง เวลาแสดงทำถูกท่านก็ประยักหน้าในใจว่านี่มันถูกต้องตามธรรมวินยัยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงทำออกนอกทางไม่ใช่คำสั่งสอนท่านก็สายหน้าสายหน้าพระจีนที่อยู่บนธรรมานมองเห็นก็นึกฉุนอยู่ในใจว่าพระแขงนี่อวดดีอย่างไรและท่านก็เป็นคนมีลักษณะพิเศษคือมีเขี้ยวมีเขี้ยวออกมา บ้านเราเลยว่าแขวมงังเง่มีแขวมางเง่ออกมามีเขี่ยวคนออกมานิดหนึ่งเท้าโหดิธรรมถ้าจีนนึกในใจว่าเดียวเถอะเดียวเราลงจากธรรมาจะไปถอนเที่ยวพ้าแข่องค์นี้อวดดีอะไรมาสายหน้ามาพยักหน้ามารับผิดรับชอบไลยตรงนี้เมื่อท่านเทศจบลงมาสา ม, มเณรก็นำน้ำชาเพื่อจะมาเสิร์ฟถวายท่านเกาะ โบกมือบอกเนนเอามือปิดถ้วยน้ำชาบอกพอแล้วเนนแล้วท่านก็ถอดเขี้ยวของท่านใส่ในแก้วน้ำชาเขี้ยวแควมแ ง, ง่ถอดแต่กับแล้วก็บอกสา ม, มนเนนว่าเอาไปถวายอาจารย์ของเธอนะเพราะอาจารย์ของเธอต้องการจะถอดเขี้ยวฉันไม่ต้องมาถอดอยากฉันถอดให้แล้ว แล้วเนนินกาพาซสื้อก็ถือแก้วถือแก้วน้ำชาไปถ้าถวายท่านอาจารย์มาท่านอาจารย์ครับอพระแขกนุ่นท่านถอดเขี้ยวใส่กแก้วนี่มาถวายท่านบอกว่าท่านอาจารย์อยากถอดเขี้ยวไม่ต้องถอดถอดให้แล้วพาจีนี่ก็สะดุ้งเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่พระธรรมดาเพียงแต่เราคิดเท่านั้นแหละ ก็ อ, อย่างรู้นี่คงจะต้องเป็นพออระอรหันต์ก็รี่ปุริกูจอจะมากราบแต่ท่านก็ลุกขึ้นทันทีแล้วท่านก็เดินจากไปพระจีนนี่ก็วิ่งตามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์รอผมด้วยค่อยผมกราบเข้ามาลาโทษท่านไม่มองดูไม่ฟังเสียงท่านก็เดินนั่งท่านไปเลยพระจีนนี่ก็วิ่งตามพอไปถึงแม่นม้ํากําลังไหลอยู่ท่านก็เอาย่าเส้นด่างถอดออกมาแล้วก็โยนลงไปโย น, ล ง, โยนลงไปในในในในแม่น้ําที่มันไหล ก็อธิษฐานจิตสูงแล้วตะสัญญาความเป่าในกายก็โดดย่องลงไปเหยียบเส้นหญ้าแล้วก็อธิษฐานฝังนนสู่ฝังนี้หญ้าก็ลอยไปทางฝังนนปรปับส่วนท้าจีนก็วิ่งเรียบฝังท่านอาจารย์รอผมด้วยท่านอาจารย์รอผมด้วยแต่ก็ไม่มีทางที่จะข้ามมีผู้ญิ้งแก่คนหนึ่งแบกแบกมัดปอแห้งมามปอแห้งเป็นไม้ลาปอก็บอกว่า ทำไมต้องร้องเร่หักกระเซอทำไมไม่โดดน้ำว่ายข้ามไปเล่าพระจีนนี่บอกว่าอาจจะมาว่ายน้ำไม่เป็นเคยจมน้ำตายโยมผู้หญิงก็โยนไม้มัดไม้ลําปอลงให้วันนี่โดดลงไปเกาะอันนี้ก็ว่ายข้ามไปซี่มันไม่จมดอกก็โยนให้พระจีนสถามากเกาะโยนไม้ลําปอลงน้ําแล้วก็ลงไปเกาะว่ายข้ามไปไปอยากปอนมดตามท่านไป ถ้าก็ไปพูดด้วยไปอยู่ในถ้อไปด้วยกันไปวินธบาตรก็ไปด้วยกั น, น, ก, ก, นกลับมาก็หันหน้าเข้าถ้ำนั่งเพลงชามสบายพระจีนก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังกาวขอท่านอาจารย์แสดงทําให้ผมฟังทีอย่านั้นแปดปีที่ไม่พูดด้วยไม่หันหน้ามามองนี่คือการทดสอบศรัทธานะการปฏิบัติธรรมต้องมีศรัทธายอมเป็นยอมตายนะ แต่พวกเราในปวดหัวมัวเก้าวสักหน่อยกลัวตายแลย้วปฏิบัติธรรมภาษาอะไรกับการไปนั่งอยู่ข้างหลังอาจารย์โพธิธรรมแปดปีท่านไม่พูดด้วยสุดท้ายปีที่แปดท่านหันหน้ามาถามว่าเธอมีสถานในธรรมนี่แค่ไหนท่านองค์นี้ก็เอาขวานออกมาทันทีเลยมีขวานอยู่ข้างๆกับตัดแขนตนเองขั้นข้างหนึ่งใส่จานแล้วก็ถาวายท่านอาจารย์ว่านี่แหละ ผมมีศรัทธาขนาดนี้อาจารย์ก็มั่นแกว่าเออเขามั่นเขามีศรัทธามั่นขนาดนี้ตัดอวัยวะถวัยและข้าขั้นก็ถามว่าจะให้ฉันแสดงทำอย่างไรฟังบอกว่าช่วยแสดงคําล้างจิตของผมถี่จิตของผมมันเศร้ามันหมองมันไม่รู้จักอะไรถ้ากร็ถามไมา่วันไหนเละจิตเอาจิตมาฉันจะล้างให้มาถึงตรงนี้เองแปปีที่นั่งสงบเรื่อย ก, กันก็ บอกว่าจิตมันไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วจะล้างยังไงเมื่อจิตไม่มีความสกรปรกในจิตก็ไม่มีแม้แต่ตัวจิตก็ไม่มีจะเอาสกรปรกไปเกาะไว้ในจิตตรงไหนถ้าจิตไม่มีถึงตรงนี้ก็ว่าถึงอนัตตาว่าไม่มีตัวตนสุญญาตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนนิสตโตนิชิโวสุนโยไม่ใช่สัต บ, บุคคลตัวตนเราเขา ว่างเปล่าจากความหมายเป็นเพียงธาตุสีขัห้าจะไปยึดมัน่นถือมัน่นว่าเราเราว่าใจเรายังไงก็บรุธรรมวาบขึ้นมาในทางมหายาณเขาจึงมีพระพุทธ ร, รูปแขนขาดขาดให้เราเห็นอันนี้เล่าให้ฟังวะศรัทธาขนาดนี้นี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องสวดมนต์ในผงยาเสียงสวดมนต์ในผงา้าหลังจากนั้นท่านโพธิธรรม ก็ได้เดินทางบุก ป, ป่าป่าตรงจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบอกท่านนั้นที่ได้เข้าใจธรรมะให้กลับคืนไปสั่งสอนธรรมะอีกเช่นเคยอยู่ที่วัดเก่านั่นแหละส่วนทัางพระจา ก, กันเดินทางต่อไปวันหนึ่งท่านพระพธิธรรมได้เดินทางผ่านมาที่ผงยาในป่าแห่งหนึ่ง โซประศาสตร์ของท่านก็ได้สัมผัสเสียงประหลาดจึงหยุดยืนพิจารณาฟังเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นเสียงสวดมนต์ฟังไพเราะมากวิเวกฟังเวงเยือกเก็นเป็นท่วงทำนองท่านยิ่งทวีความพิศวงสงสัยมากขึ้นเอใจว่าเอ๋ใครนอมาสุ่มสวดมนต์สูตรศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่ในพงหญ้าริมทาง ท่านจึงยืนสำรวมใจและก็ส่งกระแสจิตไปค้นหาที่มาของเสียงนั้นเวลาใดเราได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยบางวันเราอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์เราจิตใจเราสงบไประยะหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเพราะเราฝึกตนมามากตื่นแต่ตีร้องทุกวันฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งโดยเราไม่ตั้งใจเราอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์ เสียงรีดติ่นเดไรในป่าตรงพงไผ่กลายเป็นเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะมากเสียงนั้นยิ่งฟังยิ่งไพเราะถ้าเราใช้จิตน้อมเข้าไปไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องดูอะไรเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์เจาะลงไปเสียงนั้นจะเริ่มชัดเจนขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นคนลุกขนพองหลังจากนั้นอาจจะมีเสียงอันหนึ่งแทรกขึ้นมาในเสียงสวดมนต์เป็นเสียงอยู่ลึกลึกลึก เสียงในเสียงจะมีเสียงในเสียงเสียงสวดมนต์นั้นดังขึ้นมาฟังด้วยสติสัมปชัญญะช่วงนั้นเราจะลืมปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวลืมความง่วงเหงาหามนอนถ้าเราใช้สติใช้สมาธิดีใช้สติจ่อฟังเข้าไปเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เดียวในเสียงก็จะได้ยินเสียงอีกอันหนึ่งเรียกว่าเสียงในเสียง เสียงที่ลึกแลมลึกฟังนิ่มนวลอยู่ภายในลึกๆ ก, ก็แทรกขึ้นมาเมื่อแทรกขึ้นมาแล้วเสียงนี้ก็จะชัดเจนนิ่มนวลมาด้วยกันเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นดังขึ้นเสียงสวดมนต์ค่อยอ่อนลงนิ่มนวลลงเสียงที่ว่าลึกๆนี้ก็โผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นเสียงนี้อาจจะดึงดูดเรา เหมือนออกมาจากตัวเราทะลุขึ้นสมองแหลมขึ้นบนฟ้าแล้วดูดเราใ น, นลอยไปจิตเราจะลอยเวิงวางอยู่ในบรรยากาศห้วงสุริยะจะักรวาลข้างบนนูน้นช่วงนี้ไม่อยากกินข้าวดอกไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนจิตชนิดนี้มันก็มีนะบางท่านบางคนอาจจะได้ยินอาจจะได้สัมผัส ครั้งแรกไม่มีเสียงอะไรนั่งไปนั่งไปก็มีเสียงเป็นลมออกหูเสียง เ, เหมือนน้ำตกจากหน้าผาเสียงเหมือนลมพัดยอดไม้ชายเขาฟังไปฟังไปจิตสงบลงท่านน้องเข้าไปก็จะเริ่มอาจจะเป็นเสียงสวดมนต์หรืออาจจะเป็นเสียงดนตรีที่ฟังไพเราะเหมือนเสียงนั้นมาจากสวงสวรรค์ขับ อ, อมบเบลง แต่เสียงเหล่านั้นก็คือเสียงทั่ ว, วไปที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเป็นคลื่นเสียงในในบรรยากาศทั่วๆไปนี้เองแต่เสียงนั้นมาจากไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมมณียังจิตตังเมื่อจิตควรแก่การงานมุทุตังจิตตังกรรมมณียังจิตตังจิตนุ่มนวลจิตควรแก่การงานแล้วอุโพสัตตังสุนาตินมติเจทิพาเยจะมนุษษาเธอย่อม น้อมจิบไปฟังเสียงได้สองชนิดคือเสียงทิพย์เสียงมนุษย์แม้แต่เรายัางไม่รู้จักน้อมไปมันก็มีเสียงเหล่านั้นแฝงเข้ามาให้ตะเก็บเหมือนท่านโพธิธรรมท่านจะเอกใจว่าเอใครน้อมาซุ่มสวดมนต์สวดสักเสร็จนีน้ยตนให้พงหญ้าริมทางท่านยืงยืนสำรวจใจแล้วก็ส่งกระแสจิตไปค้นหาที่มาของเสียงก็ได้ความว่า เสียงสวดมนต์นั้นมันไม่ได้เกิดจากคนแต่มันเป็นเสียงจิ้งหรีเรไลามาแรงตัวเล็กๆมันร้องประสานเสียงกันอัศจรรย์นักที่มีท่วงทํานองจังหวะลีลาเป็นพระสวดมนต์ไปได้แล้วท่านเกาะค้นหาเหตุแห่งความประหลาดนั้นต่อไปโดยลําดับโดยลําดับ ถอยหลังกลับไปสู่ที่มาโดยใช้จิตถอยหลังกลับไปสู่ที่มาของเสียงก็พบว่าอดีตของเรไรจิ้งรีดในผงย่านี้สืบพบสืบชาติมาจากไก่มาจากหมูมาจากมแมลงจิ้งรีดเรไรมาสู่ไ ก, มไก่มาสู่หมูจากหมูก็กลับย้อนไปเป็นหลวงจีนเป็นพระจีนรูปหนึ่งแกๆ่ๆที่เคร่งวินใน ห่วงศินประพฤติพโมจันด้วยความยึดมั่นถือมั่นในศินของตนเองนี่ถือแต่ศินก็เลยทําให้เสื่อมเสียธรรมถือแต่ธรรมก็ทอดทิ้งสินมันต้องถือไปด้วยกันถือโดยไม่ยึดมั่นถืะมันส่วนที่กลายมาเป็นเสียงสวดมนในพงหญ้านั้นก็สืบเนื่องมาจากความเคยชินจากวาสนาบาลมีที่เคยสั่งสมอบรมไว้ตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นนักบวช เป็นหลวงจีนซึ่งชอบสวดมนต์เป็นชีวิตจิตใจของพระมาหายานวัชระปาณีสูตรอะไรพวกเนี่ยปุนทะิกสูตรอย่างนี้สูตรที่หวาดด้วยดอกดอกบัวธรรมะดอกบัวเนี่ยบางองค์ชอบสู้วัดก็เกิดเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยอันนี้จึงติดตามมาทุกภพทุกชาติแม่มาเกิดเป็น เป็นมู๊มาเกิดเป็นไก่มาเกิดเป็นมแมลงด้วยความยึดมัน่นถือมัน่นอุปนิสัยที่ดีที่งามที่เป็นฝ่ายกุศลบารมีก็ยังไม่เสื่อมส่งให้มแมลงเหล่านี้ร้องส่งเสียงประสานกันอย่างเหมาะเจาะฟังเป็นเหมือนพระสวดมนต์ท่านยิ่งจ้องน้อมจิตลงไปก็เห็นภาพอดีตปัจจุบันอนาคตปรากฏอยู่ในข่ายแห่งการของท่าน โพธิธรรมและก็โถป ร, ระสมประสานขึ้นเป็นเขาโครงแห่งเหตุอย่างรัดกมุมและก็ด้วยอำนาจแห่งฌานและญาณวิสัยของท่านนั้นเช่นกันท่านก็เลยเทศนาชี้แจงให้มะแรงเรไรเหล่านั้นได้ทราบที่มาที่ไปของวัฏจักรแห่งชีวิตว่าเออต้นตอทางมวล ล้วนเสื่อเนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี้เองความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือที่มาแห่งภาระอันเป็นทุกทั้งหลายหรือสาเหตุแห่งความหนักหน่วง The burden of life คือความหนักหน่วงแห่งชีวิตไม่ว่าสิ่งใดนี่แหละเขาจะต้องจำไว้ให้ดีๆ คนดีผู้ที่ทำดีถือศีนยึดศีนทำบุญยึดบุญแบกบุญเทินบุญผู้ไฟบุญเมาบุญนักปราชญ์เมาวิเมาเมาวิชานักวิปัสสนาเมาทำป้า ด, ด้วยกันปั่มปั่มเป๋าเ ป, ป, ป, ปไปเขาเรียกว่าแตกบ้างตรรมฐานแตกบ้างเพราะนั้น เสียงสวดมนต์ในผงยาที่ท่านโพธิธรรมได้ยินนั้นท่านเพ่งเจ็บ ด, ดูอดีตปัจจุบันอนาคตกลับไปกลับมาก็รู้เรื่องรู้ราวที่มาเล่ากันว่าเบื้องต้นก่อนที่จะมาสู่เสียงสวดมนต์ในผงยาสมัยที่พระศาสนาได้แพร่เข้าไปถึงเมืองจีนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ประชาชนมีความเลื่อมใสพุทธศาสนาเอาจริงเอาจังต่อธรรมวินัยของพระบรมศาสดามากถึงกับสละเพศคารวะบวชเป็นพระก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นภิกษุณีเกาะมีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีในจำนวนนี้ก็มีหลวงจีนรูปหนึ่งท่านแก่แล้วก็มาบวช นับต่บวชเข้ามาก็ตั้งหน้าต่างตาดำรงตนให้ตรงตามแนวทางของพระธรรมอยไหนอย่างสุดความสามารถทีเดียวที่คข่งคัดเป็นพิเศษก็คือการสวดมนต์คือในในสายวหายายนี่เขาสวดมนต์มากดังก่าแล้วน่ยนะชอบสวดมนต์นับลูกประคำสวดได้มากเท่าไรยิ่งดีจิตใจจะได้อ่อนโยน ท่านก็ถือเป็นมันเป็นสิกขาบทวินัยการสวดมนต์นั้นท่านสวดประจาประจำอยู่สูวดเป็นสูตรที่ขึ้นใจจำไว้ได้แม่นจำที่สุดในเวลาว่างเมื่อใดเป็นต้องสวดสาทยายสตรนี้ทันทีในแง่ที่ดำรงตนอย่างซื่อตรงต่อศิกขาบทวินัยนั้นก็ น, นับว่าเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่มใส่มาก ทันทําทตัวเหมือนสไพร์ใหม่ในตระกูลทุกขณะเวลาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าต้องการจะเป็นสมณะที่ดีต้องทําตัวเหมือนลูกสไพร์ใหม่อยู่ในเรือนปูเรือนยากเหตุ <c oughs> จังไดรลูกไผ่ใหม่ไปหาปูไป ห, า, ปไปหายาท่านหลจีนนั่นทําอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ชอบสวดมนต์สวดหนึ่งที่ขึ้นใจนั่งตรงใม่สวดตรงนั้นเหมือนกับออื อาตมาเมื่อกับกับผมนี่ผมก็ชอบใจโสดหนึ่งในใจผมว่างไม่ได้ผมก็ร้องเพลงของผมไปเรื่อยโดยมันติดสันดานเหตุ hey, ตุงปฏิจจะสัมภูตาเห hey, ตุพังคานิรุชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปยท้าิอังกาสัมภารา โอติสตโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังคันเทสุสันเตสุโอติสตโตติสมตัมมติเมื่อคันทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันทำสมมติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ ผมก็ชอบใจสวรนี้ของผมไม่ว่าเวลาไหนผมว่างเดินไปนั่งอยู่มองบางทีมันก็พุ่งออกมาเองเฮ hey, ตุงปฏิจสมภูตาเฮตุพังคานิรุชาเลอาไซเฮจึงเกิดขึ้นได้มันก็เป็นของมันอย่อยางนั้นท่านหลวงจีนนี่ก็คงจะมีอุปนิสัยแบบนั้นเหมือนกับผมที่ชอบสวดสวรเนี้ยผมชอบนิสัยมันเป็นเอง เหมือนกับคนหนุ่มหญิงสาวที่เขาชอบร้องเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เรียกว่าประทับใจเขามากที่สุดเพลงรักในดวงใจของเขาเขาก็ต้องร้องเพลงที่เขาชอบใจร้องเองฟังเองเพลินเขาไมชอบบทสวดนี้โหไปไปไปมันแยกมันแย่แดดดีนี่จะทำให้ผ่อนให้คลายให้เบือ่อให้หนายถ้านเรื่องจีนนี่ก็เหมือนกันทาตัวเหมือนสะพยใหม่ และมีนิสัยชอบสวดมนต์ตรดเดียวเท่านั้นที่จะชอบและมักไปนั่งสวดดูคนเดียวพระพุทธเจา้าท่านทรงเคยตัดยกย่องปฏิปทานักบวชวาดสมณะที่งดงามนั้นควรทำตัวเหมือนสะพยใหม่ปกติสะพยใหม่ซึ่งเพิ่งไปอยู่รวมกับครอบครัวของสามีนั้นยังจะมีความระมัดระวังกิริยามารยาท ความผิดพลาดแม้น้อยนิดก็พยายามไม่ให้มันเกิดมีทางนี้แหละทางนั้นเพื่อจะได้คะแนนนิยมจากญาติฝ่ายสามีนั่นเองอาการกิริยาใดๆที่จะเป็นช่องทางบันทอนความนิยมแล้วลูกสะพายใหม่ทุกคนจะไม่ทําเป็นอังคารบางทีนั่งอยู่ทั้งวันพี่นอพี่เท่าตรงนั้นแล้วเจียมตัวไหวแนี้ยโตเป็นไผ่เพิ่นคุณวราลท่านบอก เครื่องจีรูปนี้ก็เหมือนกันที่ว่านี่ก็มีปกติสังวรอาจารยมารยาทอย่างเข้มงวดทันมีสติควบคุมตนอยู่เสมอท่านจะไปจะมาจะพูดจะจะท่านพิจารณาทุกอิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวทุกความรู้สึกแห่งใจนึกคิดมันแผ่ไปด้วยความเมตตาการุณทั้งนั้นศีลของท่านก็แน่นรักศีลมากเลย ความผิดความชั่วแม้เล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่ยอมทำละเมิดและก็ น, นำเอาศิษย์ขาวินัยออกมาทดสอบความประพฤติของตนเองอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์เจ้ า, ององจาของเราบางสำนักกันแคลงสิ่งมากหน้าเค า, า, า, า, ารพหน้าอนุโมทนาซาตตการเล็กๆน้อยๆท่านไม่ทำหน่าอนุโมทนาแต่ถ้าท่านไม่ทำนั้นท่านมีปัญญาคลองตนรู้จักไม่ยึบมั่นถือนมั่นในความดีในสิ่ง น, นั้น จะเป็นการดียิ่งแต่บางครั้งมันเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าสินเป็นพีษเห็นหน้าคนใดคณะใดหมู่ใดไม่ดีทั้งนั้นรังเกียจลังงอนตั้งตีราคาเขาต่าไว้เลยเราดีคนเดียวอย่างนี้แหละเรียกว่ามันก็แบกสินแบกสํำนักไปเถลอะเถลอะอะไรมันก็เลยเกิดเป็นเบอเดนออฟไลเป็นเป็นเป็นภาระอันหนักหน่วงอันหนึ่งของชีวิต ถ้าขาดปัญญาแล้วมันยากหน่อยนะถือศีลไม่มีปัญญาสมาธิไม่มีปัญญามันมีโอกาสที่จะเมาวันหนึ่งหลังจากว่างจากกิ จ, จวัตรอื่นแล้วก็ลีบไปสู่ที่เรนเพื่อเสพความวิเว้ความสงบโดยท่านไปนั่งสวดมนต์อยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึง่งไม่ห่างจากสะพานข้ามคลองมามากนักขณะที่กําลังภาวนาสวดมนต์ซาทยายสตรสําเร็จที่ท่านพอใจกยนะูนั้น ก็มีชายเลี้ยงหมูคนหนึ่งต้อนหมูฝุงหนึ่งเพื่อจะข้ามสะพานไปสู่โรงฆ่าบังเอิญเจ้าหมูฉลาดตัวหนึ่งมันกำลังรู้ว่าเขากำลังต้อนมันไปฆ่าด้วยความกลัวมันก็นเลยแยกแตกฝุงวิ่งแนบออกจากฝุงเลยหาหลังไห้มันเข้าไปในพุ่มไม้แต่ก็หาได้รอดพ้นจากสายตาของชายผู้ที่เป็นเจ้าของไม้ ชายผู้นั้นเห็นหมูตัวนั้นมันวิ่งออกไปก็ เ, เรียกเพื่อนมาบอกต้องไล่ต้อนพวกนี้ออกไปนะไปเรื่อยๆไอ้ตัวหนึ่งมันหายไปแล้วฉันจะตามไปชายผู้นั้นก็สะกดรอยตามไปเพื่อต้อนกลับเข้าฟงเมื่อผ่านเข้าไปในพุ่มไม้แทนที่จะเจอหมูก็กลับไปเจอเอาหลวงจีนรูปนี้เข่าก็เลยถามบอกว่าท่านหลวงจีน เล่นหนังอยตรงนี้วาเงี้ยมานานเลี่ยวเพื่อห็นมุมของอ้วมาตรงนี้มั้ยหลวงจีนเมื่อถูกถามก็อึ้งอยู่คู่หนึ่งตามวิสัยของคนมีสติย่อมจะคิดก่อนพูดก่อนทําไม่ได้ตอบโร้อมไปแทนที่จะบอกว่าว่าเห็มันวงไปตรงนี้ท่านหม่ว่าท่านคิดซะก่อน ใี่เรจะพูดจะทำยังไรต้องคิดทบทวนไปมาทั้งก็มีความรู้สึกว่าบะอัวในเข้าที่คับขันจำเป็นเสร็จแล้วเวย้ยพอถ้าจะตอบไปตามความจริงว่าเห็นหมูมันวิ่งไปตรงนี้หมูก็จะถูกตามจับไปฆ่าตนน้นเองก็จะพลอยบาพลอยกรรมไปด้วยไปซ้ำเติมหมูตัวนี้เข้าถ้าเราไม่บอกมันก็จะไม่ตาย แต่คลั้นจะไม่ช่วยไม่บอกคือถ้าจะช่วยให้หมูรอดพ้นไปโดยอาการไม่บอกให้พ้นไปจากการตามจับของเจ้าของไม่บอกว่าเห็นโดยบอกว่าไม่เห็นมันก็ขัดต่อความเป็นจริงมันก็จะเป็นอาบัตผิดศีลของมุสาวาทาเวลามณีเอตกลงจะเอายังไงโวยมองเห็นชัดว่า จะต้องเสียทั้งสองทางถ้าเอาศินไว้ก็ต้องยอมเสียธรรมความเมตตากรุณาปาณีที่จะไม่ให้มันตายธรรมะข้อนี้ต้องเสียแง่แง่บอกว่าถ้าจะเอาธรรมก็ต้องทิ้งสินจะเอาอะไรดีว้ยหลงจิงก็คิดถ้าจะเอาสินก็เสียธรรมถ้าเลือกเอาธรรมก็จะต้องเสียสิน ในนี่สุดก็คิดว่าเอต้องเลือกฝ่ายที่เสียน้อยดีกว่าคือยอมเสียธรรมท่านมองเห็นธรรมเป็นเรื่องน้อยกว่าสินยอมเสียธรรมเมตตากรุณาเนี่ยบอกมันไปตรงๆสินมันจะไม่ขาดทางนี้ก็โดยท่านพิจารณาเห็นแล้วว่ามันมีค่าน้อยกว่าสินสำหรับสินนั้นท่านรักและหวงแหนเหลือกเกิน กว่าจะรักษาให้ผ่องใสไร้มนทินมาได้ก็ต้องคอยเฝ้าระมัดระวังอย่างเลือแสนตั้งแต่บวชมายังไม่เคยต้องอาบัตผิดศีลสิขาบทวินัยเลยด้วยความคิดตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็เลยบอกชายผู้นั้นไปตามความเป็นจริงเว่าว่าเห็นหมูเลือดหรือหมูคายหมาลู่วายเนี่ยมันวิ่งไปตรงเนี่ยวายอย่างเงี้ย ผลก็คือหมูฉลาดตัวนั้นถูกตามเจอตัวแล้วก็ถูกไล่ต้อนออกไปโ่ที่ฆ่าในที่สุดมันก็ตายวิญญาณหมูตัวนั้นก็ผูกอาฆาตได้เรื่องเลยเฮ้ยที่นี่นำไปกลาบเรียนเงี่ยมล่ออ๋องขออภัยพูดเป็นภาษาจีนหน่อยตามจำนวนจีบเงี่ยบล่ออ๋องนี่ก็แปลว่ายมพบาลยมพบาลภาษาเจ๊กว่าเงี่ยมล่ออ๋องแล้วก็กล่าวโทษว่า ตนถูกฆ่าเพราะหลวงจีนไร้คุณธรรมนั้นหลวงจีนไม่มีศีลมีธรรมเป็นนักบวชซะเปล่าๆช่วยให้เขาบอกอย่างดีเลยว่าไปตรงนั้นาหลวงจีนไม่บอกผมไม่ตายแ น, น, น่ๆว่าอย่างนี้ฉะนั้นหลวงจีนรูปนั้นจึงควรได้รับบาปรับโทษเพราะเหตุนี้ด้วยเออยมพบาลเงี่ยมหล่ออ่องนี้ก็เลยฟังแล้วก็พิจารณา เยี่ยงผู้พิาพากษาที่ดีหรือตำรวจที่ดีเมื่อเกิดมีคดีพิาพาทขึ้นต้องหาทางหาพอมีทางจะตกลงปร่งใจกันได้ช่วยไกลเกียรระงับดับความเลิกลางกันไปเสียดีกว่าจะปล่อยให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตไปทํำให้เสียหายเกินกว่าเหตุเข้าตานองที่เดียวกว่าเสียน้อยเสียอยากเสียมากเสียหนักที่ตำรวจที่ดีผู้พิาพากษาที่ดี ส่วนตำรวจผู้พิพากสาเรลวๆก็ไม่อย่างนั้นกับแสวงหาผลประโยชน์จากคาดีพิพาทกินมันทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเงินใครมากเกินหมดเงินแล้วใครมีเงินน้อยก็แพ้ไปใครมีเงินมากก็ชนะกลับกลายเป็นผัวขายายความให้มันได้เรื่องบานปลายออกไปรดชนกันนิดหน่อยเจ้าของเขาจะตกลงโอเคกันแล้วไม่เอาเรื่องแต่ตำรวจจะเอาเอาสิจะตินไม่ใช่อะไร มันผิดกันนะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาอีกนี่ตำรวจผู้พิพากษานิสัยเร็วๆกลับกลายเป็นผู้ขยายให้ได้เรื่องมันบ้านป้ายออกไปเพื่อ้นจะได้บีโอกาสตักตวงต่่งประโยชน์เอาจากความย่อยยับอับปรพรรกคลิปหายวายวอดของกรณีอย่างนี้ก็มีเลย พระเจ้าประเสนฟันเห็ดมาสองปากกินเข้าไปใจใ จ, ใจทา้งท้องบ่อิ่มเต็มต่อไปคนจะไร้สินไร้ทําตํารวจผู้พิพากซาทั้งหลายจะกินทั้งโจดกินทั้งแกลมเลยมีอีกบอ่อแต่เงี่ยบล่ออ่องเนี่ยทันหาเป็นเช่นตํารวจหรือผู้พิพากซาเร็วๆที่กล่าวมานั้นไหมเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงทําหน้าที่ผู้ไกลเกลียหลังจากได้สอบปากสอบคำล้วงกินจนท่านยอมรับสารภาพตลอดข้อหาของหมู อให้ปตอ น, น, นลุงจีนตายแล้วนะลืมบอกไปลุกจีก็ตายไปแล้วเงียบร อ, องก็เอาไปสอบสวนเงียบรอองก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนเลียวกันนะท่านล้นจีนเพื่อผลมันจะได้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายตามกฎแห่งกรรมนะอภัตกรรมะปวิวัตเะเนะพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเมื่อเราข่าเข้าชาตินี้ ชาติหนเราก็ต้องไปเกิดให้เขาฆ่าปังเพื่อดีท่านล้องจีนจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าก็ขอให้ท่านแบ่งบุญที่ได้บำเพ็ญมานี่ให้หมูสักสิบเปอร์เซนเรื่องก็จะได้เลิกลากันไปไงพอใจไหมเงียบล่ออ่องรับสั่งถามคู่กรณี เจ้าหมูนั่งฟังหงตั้งอยู่ก็ตอประตกลงหากได้บุญสักสิบเปอร์เซ็นเป็นเครื่องทำขวัญแล้วก็ไม่ติดใจเอาความกันต่อไปว่ายอย่างเงี้ยแต่หลวงจีนหาตกลงให้มองตาเชียได้หลวงจีนบอกอาลายกังลื้อจะมาเอาของอ้วไปตั้งสิบเปรเซ็นต่างต่าอ้วบวกมาบุงกอลักษา จากการรักษาสิน่งใดๆบุงเพียงเท่านี้ได้มาเลยความยากลําบากนักหนาะเรื่องอูุไลเรื่องอาไราล้วจะมาตกลงหรือจะเอาไปฟรีฟรสปปรี่สิบเปอรเซนต์วหมายหายหวายอย่างเงี้ยมันล้วจีนอุดทร อ, อุดทรเลยไม่ยอมทีนี่เงียบรออ่องก็บอกว่าถ้าไม่ตกลงท่านจะต้องไปเกิดเป็นหมูใช้นี่กรรมเวรเขา น, นนะเงียบรออ่องว่า เปงงูก็เปงสีนาว่ากันไปทันทีหลวงจีนยืนย่างข้ออย่างเลียวอย่างไห้อวดตดองสิงเปลืองสิงที่บำเพ็ญมากเกาะเลี้ยวกันตั้งสิบโปเซิงข้อความที่หลวงจีนหวงสินยึดมั่นถือมั่นกับสิ น, นเองหลวงจีนก็ไปเกิดเป็นหมูโดยอำนาจศีลาจารวัตทําให้หลวงจีนล้ำลึกชาติได้เกิดเป็นมูฟับจําชาติทุนหลังได้ แม่เห็นอัตภาพแห่งความเป็นหมูนี่ราวกับตกนรกปาถนาที่จะกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์อีกจิตใจหมูหมูหลวงจีนนี่ก็เต็มไปด้ยวยความกัดกุ้มกระวนกระวายดิ้นรนครับแคนร่ำร้องแต่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เมื่อไรนะ้ามันจะตายสตกีจะได้ไปเกิดเป็นคนให้มันสิ้นกรรมสิ้นเวรกันในที่สุดหมูหลวงจีนนี่ก็คันจะรอให้สิ้นชาติแห่งหมู ตายไปโดยธรรมชาติเาขาฆ่าเขาเชื้อแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ทันใจเมื่อนายอัตภาพภาวะของหมูรอให้ตายเองเมื่อช้าซสียจริงๆนายที่ส่วนหมูวางแผนที่จะฆ่าตัวตายเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วๆโดยตะเกียกตะกายออกจากอคอกปีนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วกร ะ, ะโดดลงมาเพื่อจะฆ่าตัวตายเจ้าหมูตายสมเจตนาเหมือนกันแต่ไม่ได้ตายเฉพาะตัวเท่านั้นเพราะมันโดนลงมามาบนหลังไก่ไม่ลูกอ่อน หาเอาลูกเจี๊ยบต้องตายไปทีเดียวสิสองตัวโตนโจมลงมาเหยียบไกไม่รู้กอดวัดเฮ้ยว่าเด็กบาปตืมกว่าไปอีกว่าอย่างไรเพราะความยึดมั่นถือมัน่นลูกเจี๊ยบนี่ก็เป็นร้องต่อเงียอองเงเ่ยมลอองอีกเงี่ยมรออองต้องทําพิธีพิพากษาคดีอีกพะลูกเจี๊ยบสิบสองตัวนี่มันพากันแห่ไปฟ้องเงี่ยมรอองสอบสวนไม่เท่าไหร่ก็คําเงื่อนปมได้ว่าเออ จำได้ว่าไอ้หมูจำเลยกรายนี้ก็คือหลวงจีนฮวงสินนั่นเองข่าวดีเรื่องมันใหญ่โตกว่าข่าวก่อนนะท่านหลวงจีนเงียมหล่ออ่องเริ่มอภิปรายกขย้ายเหตุาการณ์ข่าวก่อนเพียงชีวิตเกี้ยวนาะท่านเพียงแต่เป็นหมูขอให้แบ่งบุญชดใช้ชก็เพียงสิบเปอร์เซนก็เห็นว่าสมควรแต่ทานก็ยังไม่ตกหลงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าเวรกำตามมาลามลุกมาเกิดเหตุร้ายแรง แรงกว่าก่อนมากนะทีนี้มากเพียงไหนถ้าเชื่อข้าพเจ้าเสียแต่แรกปรคงจะไม่ลำบากอย่างนี้นะเซแต่เอาเถอะในไหนเรื่องมันก่อเกิดขึ้นไปแล้วจะพูดยังไงก็ไม่อาจจะลบล้างเรื่องร้ายเก่าก่อนนั้นก็มีทางอยู่แต่ว่ามาแก้ไขกันในเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตนั้นคงแก้ไขไม่ได้แน่นอนแล้วเอางนี้ดีกว่า ผ่อนหนักให้เป็นเบาก็าให้พระคุณเจ้าสละบุญญาบรารมีที่บำเพ็ญมาให้หลูกเจี๊ยบทั้งสิบสองตัวในห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นไก่ชริชาติให้ต้องรับทุกขเวทนาต่อไปว่าอย่างไงทั้งสองฝ่ายตกลงไมหมเงียมร อ, อองพูดอย่างเงี้ยลูกเจี๊ยบสิบสองตัวร้องพร้อมกันเพรียกเลยบอกหยวนว่างั้ภาษาจีนหยวนไปว่าตรง ย้อนมันเหลวงจีนสะบัดหน้าเลยอ้วม่ายวายจนได้ผลเพราะเอาวิอ้วมายวายกันนั้นในที่สุดก็ลูกเจี๊ยบหลวงจีนไม่ยอมก็ตายไปกระจายไปเกิดเป็นไก่สิบสองตัวเกิดเป็นไก่ําไม่ลืมอดีตมดเพราะมันไม่อาจลํำลึกชาติหนหลังใดเหมือนสมัยเกิดเป็นหมู ไก่ทั้งสิบสองตัวนั้นด้วยอำนาจความหิวบันดาลเกาะคุยเคียฮะอาหารเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จีกินเป็นอาหารฤดลินเลไลอยู่ในพงหญกก้าก็ากินไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อบาปต่ออกุศลอีกแล้วไม่เหมือนตอนเป็นหมูอย่างกลัวบาปเพราะยังจำชาติได้ตอนนี้ลืมชาติแล้วมันนานในที่สุดก็กินขาดเก็บตานึกที่ดีถิ่งงามกินหมดกินแมงกินสิ่งฤดเรไลในพงหญาในที่สด ตายจากนันก็ตกไปเป็นจำเลยต้องไปปรากฏตัวในสำนัก ง, งานเงี่ยมรล่ออ่องอีกโดยมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาแรงทั้งหลายมาเป็นโจดเต็มไปหมดครั้งนี้มันมากมายหลายชีวิตนักประมาณไม่ได้ทีเดียวนะท่านหลวงจีนว่าอย่างนี้ท่านจะต้องให้บุญแกสัตว์เหล่านี้อีกกลาสิบเปอร์เซนจึงจะสิ้นกรรมสิ้นเวรกันว่าอย่างไงเงี่ยมรล่ออ่งไหวเนี่ยท่นหลวงจีน หาได้ตกลงไหมตกใจอ้าปากเอาะไรบุงอ่วกหมกเท่านั้นสิแต่มูจะเอาไปสิบปร์เซนไก่ห้าสิบปร์เซนต์แมลงทั้งหลายอีกโหเก้าสิบปร์เซนตหมกๆมกหมกอย่างนี้ว่าส่เลี้ยวคือเป็นอย่างนี้บ่อยๆว่ากักเก๊ซีนวายอย่างนี้ไม่เอา ท่าลหลวงจีนไม่ตกลงก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นมแมลงทั้งหลายร้องระงมโยตามพงหญ้าทุกขาข้าคืนเสียงธรรมชาติตะโกนบอกภาพธรรมชาติระบายภาพให้ดูผู้ที่หูดีตาดีย่อมได้สัมผัสความหมายของสรรพสิ่งปรุงให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาได้แม้เสียงรีดดิ่งเรไรที่ริ่งระงมอยในพงหญ้าทุกขา ข, าข้าคืน ก็มีความหมายไม่เหมือนกันสำหรับคนที่มีจิตใจต่างกันมีความประสงค์ต่างกันคิดนึกเพ้อฝันกับกินตนารมก็ฟังเป็นเสียงดนตรีแห่งธรรมชาติมันก็ยังมีประโยชน์ที่สามารถหยิบช่วยเอาสาระจากธรรมชาติมากล่อบขวัญของตนยามค่ำคืนในป่าเขาลำเนาไทยยักษี ยังทำให้โรคของเราหน้าอยู่อย่างยิ้ยมแย้มแจ่มใสเป็นสุขแม้จะไม่ได้รับเอาสติปัญญาจากเสียงร้องของรีบเร่นเลยไรเขาก็ไม่ขาดทุนเป็นทุกเพราะสิ่งเหล่านี้ผิดกับอีกคนบางจําพวกเกิดมามีแต่ความลำคาญต่อธรรมชาติหรือสัพสิ่งเห็นโรกรกหูรกตาไปหมดคนแบบนี้น่าสงสาร โลกเป็นพิษคนเป็นพิษสำหรับเขาคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่งามอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดีจ้ำนักน้นก็ไม่ดีตรงนี้นวกหูนกยุงร่องนักหูนกกาเวาไม่อยากเห็นหนะ้าคนนวงคนนี่มันพิษตำแดงแสแลงจิตของเขาตลอดไปละเขาจึงเฝ้าประนามโรคเหยียดยันโรคและเฝ้าคิดที่จะแก้ที่จะไขกายเ ป, เป็นเป็ดหูกระหายความเป็นระเบียบความดีความงามเป็นเปรเจ้าระเบียบไป บางทีก็แก้แค้นโลกเที่ยวไปคิดแก่คิดดักคิดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็นเขามีสายตาละเอียดและฉลาดลึกซึ้งสามารถที่จะจับผิดจับความบกพร่องของทุกฝ่ายของคนโน้ น, นคนนี้ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์สอนเขาก็ก็จับทิดเอ้อเป็นตาสะแตกพวกนี้ก็ได้อย่างที่คนธรรมดามองไม่เห็นแต่เขาเห็นหน้าเสียดาย หากเขาจะกลับสายตาเปลี่ยนจุดมองเสียใหม่คือแทนที่จะมองดูความชั่วร้ายภายนอกกลับมามองดูจิต ด, ดูใจตนเองหาจุดพิการในจิตในใจตัวเองแล้วก็แก้ก่อไขนิสัยสันดานเดิมของตนเองก็จะช่วยให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่างปกติสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นอยู่อย่างคนไข้เ พ, พร้อมแสลงอยู่ตลอดชีวิตอย่างนี้ บางทีผลของการเปลี่ยนทัศน์เปลี่ยนจุดที่มองเสื้อใหม่นี้จะช่วยให้พบคุณค่าจากสิ่งที่สัมผัสได้เหมือนหลวงจีนโพธิธรรมที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุนี้เองเราน่าจะได้เอามาคิดมาเิพิจารณาฟังเสียงสวดมนต์ในผงยา ก, การที่หลวงจีนที่เคร่งวิไนต้องกลายมาเป็นตรีสิ่งเลไลจิ้งริ้กก็ด้วยความหวงศีล ยึดติดในปฏิปทาศีลาจารวัตของตนเองนั่นเองหากต้องการพ้นทุกข์แล้วจงปล่อยวางความหมายมั่นสำคัญในจิตในใจเสียเหมือนคนปร่งของหนักลงจากหัวจากบ่าเลวความเบามันก็จะมาหา่านจะพบความเบาโดยอัตโนมัติไม่ต้องอึดอัดรัด บ, บีบจากภาระน้อยใหญ่ทั้งร้ายทั้งปวง ท, ท่านโพดิธรรมได้สแสดงทำจบลงมแมลงทั้งหลายก็สิ้นชีวิตลงตรงหน้าท่านนั่นเองหมายความว่ามแมลงเหล่านั้นฟังเทศรู้เรื่องรู้เรื่องทราบซึ่งดีจึงปลงวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้แบกได้ทูลมาชั่วกาลนานไม่มีความยึดติดในสรรพสิ่งไม้กระทั่งชีวิตการสิ้นชีพนี้ก็คือการหลุดพ้นจากทุกขทรมานนั่นเองหลังจากนั้นก็พบ อิสรภาพอาตมาภาพต้องการจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายที่ถือดีให้เห็นความหมายในแง่ที่ให้โทษเพื่อท่านและอาตมาเองจะได้ทำความดีกันอย่างไม่เป็นอันตรายไม่ต้องตกเป็นขี่ข่าความดีตกเป็นขี้ข่าของความดีตัวเองนอกจากตัวเราเองแล้วจะได้รับความเบาสบายอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นปลอดภัยจากความดีของเราปลอดภัยจากความดีของเราอย่างไงหมายความว่าเราสามารถจะวางเฉยต่อความผิดพลาดของผู้อื่นได้โดยไม่เอาความดีของเราไปซ้ำเติมเขาอย่างที่เรียกว่ายกตนข่มท่านมาเถิดพวกเรามาทำความดีโดยความดีเพื่อความดีโดยไม่ถือดีกันเถอะ ขณะนี้ไม่ว่าเราท่านทั้งหลายในหัวใจยังอัดแน่นอยู่ด้ยวยความเือดีท่านอาจจะโกรธ ถ, ถ้าจะถามว่าคุณถือดีอย่างไรมาดูถูกผมอย่างนี้เือดีอย่างนี้มหาดูถูกเพิ่นมีแต่ผู้ดดีในนี้ลักษณะเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจอยู่ร่วมกันในโลกได้ด้วยความดี ที่ทุกคนมีและมีโดยที่ต่างคนก็ต้องดีโดยไม่ต้องอวดไม่ต้องถือด้วยกันทั้งนั้นสุดท้ายเราก็จะเข้าถึงบทที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสจิตตะปริโยทะปันังเอตังพุทธานะซาสณนังการชำระจิตให้ผ่องใสไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าผู้รู้ทั้งหลายในอดีตที่มีมายาวนานอนาคตตะการแกมาถึงหรือปัจจุบันนี้ก็ตีคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดละชั่วซียกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามชำระจิตให้ผ่องใสโดยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นเถอดี จงทาความดีเพื่อปล่อยวางรักษาศินเพื่อปล่อยเพื่อวางเจริญสมาธิเพื่อมีกำลังจิตใจปัญญานำไปสู่การปล่อยการวางความยึดมั่นเถือมั่นมีปัญญาเพื่อสลัดออกเพื่อลดพล้นวิมุตติภาพอิสรภาพความเป็นผู้ไกลห่างจากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในเจ็บในใจ พุทธศาสนาทั้งหมดนั้นมีคําสอนโยกเพียงเท่านี้สัพเพธรรมานาลังอะภินิเวสายยะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่พึงก็ไปยึดมั่นเถอดมันควรฟังในเรื่องนี้ควรพยายามในเรื่องนี้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องนี้เท่าดีก็จบในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าจะฟังกันถูกหรือไม่ ขอยกตัวอย่างก่อนจะจากกันอนาถบินธิกะเศรษฐีเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมากเป็นคนที่สังคมรู้จักมากและเป็นผู้ช่วยเหลือคนยากคนจนเป็นที่พึ่งของคนจนในกรุงสาวัตถีแคว้กนกศนในสร้างเชตตะวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าเลี้ยงพระวรรณห้าร้อยรูปไม่ขาดสิ้นทรัพย์เป็นแปดสิบกดเป็นแปดรอยล้านวันหนึ่งท่านป่วยไขย้เจียนตาย จวนจะตายมีความรู้สึกว่าคงไม่รอดก็ได้ให้คนใช้ไปตามนิมนต์พระสารีบุตรพระอานนท์ให้มาเยี่ยมสารีบุตรและอนนท์เข้ามาก็ได้มาตรัสถามว่าดูก่อนคือหักพอดีโรคขาพยาของท่านไม่บรรเทาเบาบ า, บางลงแหลหรือท่านพอทนได้หรือบอกว่าท่านผู้มีอายจุท่านผู้เจริญผมคงทนไม่ได้โครคภัยไข้เจ็บมีเด็กกาเริบในหัวผม เหมือนบุรุษเอาคีมเหล็กมาชีปในท้องในไรายเหมือนคนฆ่าโคลูกมือนคนฆ่าโคใช้มีดคมๆ ม, มาคว้านในร่างกายทั้งหมดเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงจับไปย่าง